เพื่อมาปฏิบัติเพื่อมาสร้างสวรณะที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจของพวกเรานี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งเรียกว่าภรรตนไตายพุทธังธรรมังสังคังสรณนังกชามิส่วนที่สองเรียกว่าอัตตาหิต อัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องสร้างตนเป็นที่พึ่งของตนให้ได้ให้เป็นอัตตาหิตอัตโนนาโถให้ได้แต่ก่อนที่เราจะเป็นที่พึ่งของเราได้เราต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้สอนพราพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านได้ปฏิบัติจนถึงได้อัตตาหตอัตโนนาโถได้ตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วจึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา ที่ยังไม่เป็นอัตตาหิอัตนโนนาโทยังไม่เป็นที่พึ่งของตนดังนั้นการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะจึงอยู่ที่การศึกษาแบบฉบับเยี่ยมย่างที่พระเจา้าและพระอรหันตาสาวกได้ดำเนิน ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระอาหารหันตสาวกที่จะสอนให้เราพัฒนาตัวเราเองให้เป็นที่พึ่งของเราเองได้ตอนนี้เราพึ่งตนเองไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าที่พึ่งของเราที่แท้จริงอยู่ที่ไหน เราไม่รู้ว่าตัวของเราที่แท้จริงคืออะไรเราถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเมื่อร่างกายเป็นตัวเราของเราเราก็ต้องหาที่พึ่งทางร่างกายแต่ที่พึ่งทางร่างกายนี้เป็นที่พึ่งชั่วคราวเพราะร่างกาย ก็เป็นของชั่วคราวสิ่งที่เราใช้เป็นที่พึ่งของทางร่างกายก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันตอนนี้เราพึ่งอะไรเป็นที่พึ่งเราก็พึ่งปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วเราก็พึ่ง ลาบยศสรรเสริญเพิ่งความสุขทางตาหูจมูกอินกายเพื่อที่เราจะได้มีความสุขเพื่อที่เราจะได้ดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ที่เพิ่งเหล่านี้เป็นที่เพิ่งเพียงชั่วคราวเพราะเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ถาวร มีวันที่จะเสื่อมจากเราไปได้เสมอแล้วร่างกายของเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเราก็เป็นของที่จะต้องเสื่อมหมดไปเช่นเดียวกันพอของเหล่านี้เสื่อมไปหมดไปแทนที่จะเป็นที่พึ่งก็กลับกลายเป็นที่ตั้งของความทุกข์ให้กับพวกเรา เวลาเราเสื่อมเสื่อมจากลาบยศสรรเสริญเสื่อมจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีความสุขเราจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่สบายใจถ้าเสื่อมมากๆเสียมากๆ ก, ก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปอยากจะข้าตัวตายเพราะ ไม่ได้พ่อสูญเสียที่พึ่งไปเราเคยพึ่งลาบยศสารเสริญพึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมไปหมดไปเราก็เป็นเหมือนขอทานเราไม่มีที่พึ่งไม่มีอะไรให้ความสุขกับเรา ไม่มีอะไรมาดับความทุกข์ให้กับเราได้แล้วยิ่งถ้าร่างกายเราเสื่อมลงไปแก่ชราภาพลงไปมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วก็เข้าสู่ความตายเวลานั้นยิ่งมีความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะว่าเราไม่มีที่พึ่งที่ท้าจริงนั่นเอง เราหลงไปพึ่งในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอย่างถาวรเราพึ่งสิ่งที่เป็นที่พึ่งเพียงชั่วคราวมีโอกาสที่จะต้องหมดไปถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอาหารหันตสาวค พวกเราจะไม่รู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงของเราคืออะไรและตัวเราที่แท้จริงคืออะไรแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าตัวเรานี้ก็คือจิตใจนี้เอง จิตใจนี่แหละเป็นที่ตั้งของตัวเราเรามากับจิตใจเราไปกับจิตใจร่างกายนี้เป็นของชั่วกราวเวลาจิตใจเรามาเกิดจิตใจก็มาครอบครองร่างกายที่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาในคันของมารดาแล้วนะพอร่างกายนี้เริญเติบโตเต็มที่ ก็คลอดออกมาจากคันเราก็ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราจึงต้องหาที่พึ่งให้กับร่างกายแต่หาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะหนีความทุกข์ไปได้เพราะที่พึ่งของเราเป็นของชั่วคราวนั่นเองไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้อง ตายจากเราไปแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอาหารหันตสาวงท่านจะสอนว่าเราคือใจเราไม่ใช่ร่างกายและที่พึ่งทางใจก็คือธรรมะคือบุญกุศลนี่เองถ้าเรามีบุญมีกุศลเราจะมีที่พึ่งทางใจ เพาะบุญกุศลจะทําให้ใจของเราสงบทําให้ใจของเราเป็นโอเบนขาปล่อยวางไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการเกิดกับการดับขอ ง, ของสิ่งต่างๆที่ใจเรามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นถ้าเรามีบุญมีกุศลอยู่ภายในใจของเราใจของเราจะไม่วุ่นวายไปกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจจะไม่เดือดร้อนทรัพสมบัติเข้าของเงินทองญาตสนิทมิตรสหายลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเสื่อมไปจะหมดไปก็ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนเพราะเรามีความสงบเป็นที่พึ่ง ความสงบนี่แหละที่จะให้ความสุขกับเราให้ความอิ่มความพอกับเราทําให้เราไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่ต้องการอะไรเมื่อเราไม่ต้องการอะไรเราจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเราจะมีาลาภยศสรรเสริญ มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราหรือไม่ก็ไม่เป็นปนัญหาแต่อย่างใดเพราะความสุขจากสิ่งต่างๆความสุขจากราบยศสรรเสริญความสุขจากร่างกายนี้สู้ความสุขจากความสงบของใจไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดังนี้ นัติสันติปรามรสุ ข, ขังไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ต้องมีบุญมีกุศลเป็นผู้ที่จะทำให้สงบดังนั้นพวกเราจึงต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลกันเพราะบุญกุศลนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดแล้วก็ต้องมีตายมีเจริญก็ต้องมีเสือ่อมมีเกิดก็ต้องมีดับไม่ว่าจะเป็นของภายนอกร่างกายหรือแม้แต่ร่างกาย ก็เป็นอย่างนั้นมีเพียงอย่างเดียวที่ไม่มีวันตายไม่มีวันดับก็คือใจของพวกเรานี้เองแล้วก็ความสงบที่พวกเราได้ก็จะไม่มีวันหมดไปเช่นเดียวกันนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบที่เราเรียกว่าตัดสรู้ตัดสรู้ก็แปลว่าได้รู้ความจริง ที่พวกเราไม่รู้กันไม่รู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าตัวเราที่แท้จริงของเราอยู่ตรงไหนคืออะไรมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถมีปัญญาความฉลาดที่จะเห็นความจริงอันนี้ได้ ทั้งๆที่มีอยู่กับพวกเราทุกคนแต่พวกเรากลับมองไม่เห็นกันเรามองไม่เห็นใจของพวกเราเพราะเรามัวแต่ไปมองที่ร่างกายเพียงอย่างเดียว<ท ứ>เหมือนกับเหรียญมีสงด้านแต่เรามองเพียงด้านเดียวเรามองด้านหัวเพียงด้านเดียวเราไม่มองอีกด้านหนึ่งที่เรียกว่าด้านที่เรียกว่าก้อยเห็นแต่ห <todo> <uel>: ัว เลยคิดว่าเหรียญนี้มีเพียงแต่หัวไม่มีก้อยพวกเราเกิดมาก็เห็นเพียงแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวเราไม่เห็นใจเพราะใจนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตาที่เราเห็นด้วยที่เราเห็นสิ่งต่างๆ น, นี้ไม่สามารถเห็นใจได้เพราะใจเป็นเหมือนความว่าง เป็นเหมือนมนุษย์ล่ อ, องหนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเราเราจึงไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราความจริงแล้วร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราต่างหากเราเป็นนายกายเป็นบ่าวใจคือเราเนี่แหละใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผ่านความรู้สึกนึกคิดพอเราคิดอะไรเราก็สั่งให้ร่างกายทำตามความสั่งของเราอย่างวันนี้เรามาที่นี่ได้เพราะอะไรเพราะเราคิดไว้ก่อนว่าวันนี้จะต้องมาวัดพอมีความคิดจะมาวัดก็มีคำสั่งไปที่ร่างกาย ตื่นขึ้นมาให้ลุกขึ้นอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมข้าวเตรียมของแล้วก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่วัดพาเรามาที่วัดร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเท่านั้นเองเราเป็นเหมือนคนขับรถเราสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเวลาร่างกายเป็นอะไรไป คนขับรถคือใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกายเหมือนกับเวลารถยนต์เสียคนขับรถไม่ได้เสียไปกับร่างกายเวลารถยนต์พังไปคนขับรถไม่ได้พังไปกับร่างกายคนขับรถก็หาซื้อรถคันใหม่ถ้ามีเงินมากก็ซื้อรถคันใหม่ที่ดีกว่าเก่าถ้ามีเงินน้อยก็ต้องซื้อรถที่ไม่ดีเท่าของ ของเก่าฉันใดร่างกายของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะต้องเสื่อมจะต้องพังไปแต่ใจไม่ได้เสื่อมไม่ได้พังไปกับร่างกายพอร่างกายนี้เสื่อมไปใจของเราถ้ายังอยากได้ร่างกายอันใหม่ก็ไปหาซื้อร่างกายอันใหม่เงินที่เราต้องใช้ซื้อร่างกายอันใหม่นี้ก็คือบุญกุศลนี่ ถ้ามีบุญมากก็จะได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าเก่ากลับมาเกิดมีฐานะดีกว่าเก่ามีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเก่ามีสติปัญญาฉลาดแหลมคมกว่าเก่ามีผิวพรรณผ่องใสกว่าเก่ามีอายุยืนยาวนานกว่าเก่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเก่ามีอาการ ครบ32ที่ดีกว่าเก่าไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่แหละคือบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันขึ้นมาเพื่อที่ให้เราจะได้มีที่พึ่งถ้าเรายังไม่สามารถไปถึงที่พึ่งอันสูงสุดได้ คือการไม่กลับมาเกิดอย่างน้อยเวลาเรากลับมาเกิดชีวิตของเราจะได้ดีกว่าก่าขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้ต่อไปอยู่ที่การสร้างบุญสร้างกุศลนี่ถ้าเราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆเราจะมีที่พึ่งทางใจใจของเราจะมีปัจจัยสี่ มีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเครื่องนุ่หงห่มมียารักษาโรคไว้คอยดูยแลรักษาทําให้ใจของเราไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปอาศัยสิ่งที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงตอนนี้พวกเรายังอาศัยสิ่งที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ใจของเราจึงมีความหวั่นไหว มีความวิตกมีความกังวลมีความเดือดร้อนเพียงแต่คิดว่าเราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เราพึ่งไปก็ทำให้ไม่สบายใจยแล้วยังไม่ทำเกิดเลยเพียงแต่คิดถึงมันเท่านั้นเองคิดถึงว่าเราอาจจะต้องบทเนื้อหมดตัวหรือยากจนลงไปเพราะขาดรายได้ พรอาจจะตกงานไม่สามารถมีรายได้เข้ามาเพียงแต่คิดเท่านี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วแล้วยิ่งถ้าต้องสูญเสียสิ่งที่เราล้างมากกว่านี้สูญเสียคนที่เรารักไปสูญเสียคู่ครองของเราไปสูญเสียลูกหลานของเราไปเรายิ่งจะมีความทุกข์มากขึ้นไปแล้วยิ่งต้องมาสูญเสียร่างกายของเรา ที่เราใช้เป็นที่พึ่งในการหาที่พึ่งต่างๆพอเราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งได้ไม่สามารถใช้ร่างกายหาที่พึ่งต่างๆได้ตอนนั้นเราจะพึ่งอะไรถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเรามีบุญมีกุศลมีที่พึ่งใจของเราจะไม่ต้องพึ่งสิ่งอย่างอื่น เพราะเรามีที่พึ่งที่แท้จริงมีที่พึ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้สร้างขึ้นมาจนใจของท่านนี้มีความอิ่มมีความพอมีความสุขตลอดเวลาทำให้ไม่ต้องไปพึ่งร่างกาย ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆที่ร่างกายต้องพึ่งเช่นปัจจัยสี่หรือลาบยศสารเสริญหรือความสุขทางตาหูจมุกนึ่งกายดังนั้นเวลาที่สิ่งเหล่านี้เกิดการเสื่อมไปหมดไปก็ไม่ได้ทำให้ท่านเกิดความเดือดอร้อนใจแต่อย่างใดเพราะใจ ไม่ได้สูญเสียที่พึ่งที่สาคัญไปที่พึ่งที่สาคัญคือบุญกุศลจะอยู่กับใจไปตลอดถ้าเรารู้จักสร้างขึ้นมาแล้วเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆผลิตขึ้นมาได้เรื่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายหรือมีสิ่งอย่างอื่นมาเป็นเครื่องมืออีกต่อไป นี่แหละคือการพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่งด้วยการศึกษาซึ่งพิ่งด้วยการปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานศาสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติมาไม่ใช่การมีพระพุทธรูปไว้ตั้งไว้ที่บ้านหรือมีพระพุทธรูปไว้ห้อยคอพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่ไม่สามารถ ทำให้เราอิ่มได้เวลาหิวข้าวเราไปกราบพระพุทธรูปขอให้เราอิ่มนี้เราทำได้หรือเปล่าเวลาเราทุกข์ใจเราไปกราบพระพุทธรูปขอให้ความทุกข์ใจของเราหายไปทำได้หรือเปล่าเวลาขโมยขึ้นบ้านพระพุทธรูปห้ามไม่ให้ขโมยขึ้นบ้านได้หรือเปล่าเวลาไฟไหม้บ้านพระพุทธรูปห้ามได้หรือเปล่า แม้แต่พระพุทธรูปเองอยังห้ามขโมยไม่ให้ขโมยไปได้ขโมยขึ้นบ้างก็ดีไม่ดีก็ขโมยพระพุทธรูปไปสิแล้วพระพุทธรูปจะมาเป็นที่พึ่งป้องกันภัยให้กับเราได้อย่างไรในเมื่อพระพุทธรูปยังป้องกันตนเองไม่ได้เลยเราต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องทุกวันนี้เราพึ่งพระพุทธพระธรรมที่สงแบบผิดผิด ไม่ใช่เป็นการครึ่งที่แท้จริงเราคิดว่าเรามีผ้าห้อยคอเราก็ปลอดภัยแนละ้วเราจะร่ารวยไปตลอดแฟนคู่ครองของเราจะอยู่กับเราไปตลอดอันนี้เป็นความหลงเป็นความเข้าใจผิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถหักห้ามยับยั้งการเสื่อมของสิ่งต่างๆได้แม้แต่สังขารของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้า ร่างกายของพระอาหารหันต์ก็ต้องเสื่อมต้องดับต้องตายไปดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าที่พึ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราพึ่งนั้นไม่ใช่อยู่กับวัตถุมงคลต่างๆอย่าไปหลงเชื่อคนที่เขาว่าเศกเปลาวัตถุมงคลแนละ้จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนั่ารวยขึ้น มีความเจริญก้าวหน้าอันนี้มันขัดหลักความจริงความจริงก็คือมีเจริญก็ต้องมีเสือ่อมไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นมีมาก็ต้องมีไปสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ดีก็ต้องหมดไปต่อให้เรามีวัตถุมงคลวิเศษขนาดไหนราคาแพงเป็นล้านก็ไม่สามารถที่จะมายับยัง้ง ความเสื่อมความพลดพาดจากของต่างๆไปได้มีแต่ที่พึ่งทางใจนี้เท่านั้นแหละที่จะไม่มีใครสามารถที่จะมาพลากจากเราไปได้จะอยู่กับใจเราไปตลอดจะเป็นที่พึ่งให้กับเราไปตลอดอย่างที่เป็นที่พึ่งของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกอยู่ถึงในปัจจุบันนี้ ใจของพระพระเจ้าใจของพระสาวกยังมีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เสื่อมหายไปไหนเพียงแต่ท่านไม่มีร่างกายมาติดต่อกับพวกเราเท่านั้นเองใจของพวกเราใจของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกันไม่มีวันตายต่างกันตรงที่ใจของพระพรทเจ้าใจของพระอาหารหันต์มีที่พึ่งแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว มีแต่ความสุขตลอดเวลาแล้วแต่ใจของพวกเรานี้ยังขาดบุญกุศลยังมีบุญกุศลไม่เต็มที่ไม่ครบร้อยก็เลยยังต้องมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจอยู่แต่ถ้าเราหมั่นมาสร้างบุญสร้างกุศลกันอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันใวันนี้ขอให้ทำไปให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนสามารถทำได้ตลอดเวลาแบบนักบวชรับรองได้ว่าท่านจะมีที่พึ่งที่ถาวรที่แท้จริงที่ท่านพึ่งได้ตลอดเวลาจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความวุ่นวายใจกับการเสือ่อมกับการสูญเสียของสิ่งต่างๆไปเวลาที่จะต้องเสียร่างกายนี้ไป จะรู้สึกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราคืออัตตาหิอัตโนนาโธตนเป็นที่พึ่งของตนการที่จะสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รรเป็นตัวอยา่างดูแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอยา่าง เหมือนเราอยากจะตัดเสื้อเราตัดไม่เป็นเราก็ไปเอาเสื้อมาดูเป็นตัวอย่างว่าเสื้อตัวนี้ตัดอย่างไรมีแขนมีคอมีอะไรอย่างไรพอเรามีตัวอย่างเราดูเราก็เอาผ้ามาตัดเย็บเดี๋ยวเราก็ได้เสื้อมาสวมใส่ฉันใดถ้าเราอยากจะได้ที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรเราก็ต้องไปดูพระพุทธเจ้าดูพระอาหารหันตสาวก ว่าท่านทําอย่างไรท่านจึงมีที่พึ่งที่ถาวรได้ก็ท่านก็คือท่านสร้างบุญสร้างกุศสนั่นเองด้วยการละบาปด้วยการทําบุญด้วยการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เองถ้าพวกเราปฏิบัติตามได้พวกเราก็จะมีที่พึ่งและจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งอันใดอีกต่อไป จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างสาณะที่พึ่งที่แท้จริงให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล